บ o ๊กทูสี่สิบเก้าตัวชิตรบูรตัวชิตรบูรกีลาสปอร์ตสปอร์ตรคุณออกกำลังกายไหมสปอร์ตมุ่งเพ่อสปอร์ตมุ่งเพ่ ดิฉันต้องออกกำลังกายอา ร, ร, ร์ซนัลไฟอัลอารซนฟัลดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับซ ส, สปอร์ตคลับมุเสกวซสปอร์ตคลับมสกวาเราเล่นฟุตบอลเ ฟุตบอลทเออฟุตบอลเออบางครั้งเราก็ว่ายน้ำซาวอร์ทีเอซาอรทีเหรือเราขี่จักรยานเย่คุชฮฟฟ์จจะข้มงวกชยคุชฮฟจะขมก็ไ มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเราเตาฟุตบอลเยชปสแตเตีเลแดตแล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วยยตานเยสปะระฮมมเดหตานเยสปะระฮมมเด และมีสนามกอล์ฟ g o ล f u s อ g o ชอทีวีมีอะไรดูสดะทีวีซ่อมเชอกาะกดะทวี ช, วชวรร่กากระารกำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ จุดเด็ฟุตบอลยสอกระชากอีกองฟตกชาทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่นมตสคูปมเรออิงเกลิสคูปมรอสัดเดีย์ตออิิคอใครกำลังนำ ตกตรตกตรทีรท่ฉันไม่ทราบค่ะอวายอวา ย, าวายตอนนี้เสมอกันอยู่จริซมิอฮกรูรับจริซมิฮกรับผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม ซูดิารเบลกิเมชิชตอนนี้กำลังยิงลูกโทษจีเดดดัมนลัดดมนลตีจเดเข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนกลซนลกลซนล